ในรายการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช anel พระเจอผีทุกท่านนะคะเจอกันเช่นเคยค่ะกับเรื่องเล่าของอาจารย์เหมเวชกรที่เรียกว่าเป็นบรมครูในนิยายสยองขวัญที่หลายๆท่าน เป็นคอนิยายของท่านนี่ก็ต้องรู้จักท่านดีนีคะแม้กระทั่งภาพยนตร์บางเรื่องค่ะก็ได้แรงบันดาลใจจากครูเหมเวชกร น, นั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้บีเองก็มีเรื่องราวของครูที่เขียนไว้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตอนหนึ่งนะคะของนายอุทิศผู้มีใจนิยมในนิยา ย, ร, ยรักเยือกเย็นหรือสะท้อนใจเป็นตอนที่เขาได้พบกับนิยายรักที่ถูกใจเข้าอีกตอนหนึ่ง นแดนน้ำตกนางรองแห่งเมืองนคร น, นายกเขาได้หลบหน้าจากกรุงเทพไปฝังตัวในอยู่ อ, อยู่ในป่าเขตน้ำตกนางรองที่ไร่ของเพื่อนเพื่อค้นคว้าเรื่องรักที่ได้พบเข้าอย่างสะเทือนใจนะคะเรื่องมีอยู่นะคะว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมานอนกินอยู่ในป่าของแดนน้ำตกนางรองแห่งเมืองนคร น, นายกแต่ก็ได้พาตัวมาหมกอยู่แล้วกับพ่อยอดชายนายสัก์ และคุณหวานภรรยาของเขาที่ไร่สม้มไร่ขนุนที่เขาตั้งชื่อไร่ของเขาอย่างเล่นๆว่าไร่แดนสางทุกผมลืมกรุงเทพชั่วคราวและมาที่นี่ก็มีแต่ความสุขกับการอยู่กินการดื่มเหล้าตอนเช้าเล็เลกๆน้อยๆแล้วก็กินอาหารอย่างดีอย่างชาวป่าจะมีกินแล้วก็ตอนเย็นก็ดื่มเหล้าขนาดพอสบายอีกโดยอาหารที่ถูกคอพออร่อยกับเพื่อนและเมียของเพื่อนและลูกเล็กๆของเขา ทั้งคนงานในไร่ของเขาฉันมาพบกับนิยายที่เมียนรักเข้าที่นี่และก็รู้ว่าแกชอบคนที่มีนิยายรักสะเทือนใจก็ชวนแกมาฟังดูในสักพูดแล้วก็ยักคิ้วอย่างสบายอารมณ์พลางดื่มเหล้าป่าตามการละของผู้ที่อยู่อาศัยในป่าแกมาพบเจ้าของนิยายรักนี่เข้าตั้งแต่เมื่อไหรล่ล่ะผมถามสองปีเห็นจะได้แล้วเสียดายที่ช้าไปเขามาตายจากไปซะนี่น่าสงสารมีนิสัยดีน่าคบ แต่แกเนี่ยสมัครใจตายจริงๆคุณศักพูดด้วยสีหน้าเศร้าๆคุณหวานภรรยาของเขากําลังทําอาหารเล่นๆ เ, เพื่อให้กินแกล้มเล่าคือมะดันอ่อนในไร่ที่คุณหวานกําลังจัดการผ่าเพื่อที่จะเอาเม็ดของมะดันออกคุณขาวที่ว่านี่นะตอนแรกที่ฉันพบแกเข้าฉันก็แปลกใจที่ว่าไร่ของแกมีเนื้อที่สิบไร่แต่เหตุใดจึงมีแต่ตัวแกเพียงคนเดียวกับหมาไทยตัวเดียวเท่านั้นที่ติดตามเจ้าของตลอดเวลา ไร่ของฉันเนี่ยฉันซื้อมาจากเจ้าของเก่าคราวหลังแกแล้วก็บังเอิญมาติดกับไร่ของคุณข่าวเข้าพอดีก็เลยรู้จักมักคุ้นกันเราคบกันนานเข้าก็รู้ว่าแกเนี่ยเป็นคนที่มีความลับอยู่ในใจอะไรบางอย่างตลอดเวลาก็จะเห็นว่าแกเศร้าๆไม่ค่อยรื่นเริงทำไร่คนเดียวได้กล้วยได้อ้อยได้ขนุนก็ขายกินพอเลี้ยงชีวิตไปวันๆโดยไม่คิดจะไปรุ่งเรืองข้างหน้าเลยเหมือนจะอยู่รอความตายนสักเล่าให้ฟัง พร้อมกับโครงหัวอย่างสงสารเวทนาเจ้าของนิยารักชื่อไร่ของแกสิคะฟังแปลกหูแปลกใจคุณหวานภรรยาในสักพูดบ้างชื่ออะไรอะครับชื่อไร่คอยรักค่ะแต่ว่าปลายชื่อไร่นี้เนี่ยคุณสักเองเขาก็เผาไฟไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาสะเทือนใจน่าเสียดายฟังชื่อไร่แล้วก็เรื่องนินดๆของคุณขาวแล้วก็น่าสนใจดีนะ ฉันเองก็อยากจะฟังนิยายรักของคุณขาวนั้นมากจริงๆผมบ่นอย่างเสียดายฉันฟังนิยายรักจากเขาไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ปิดๆแต่ว่าฉันเองก็ได้รู้จากผู้หญิงคนนึงที่มีวิธีติดต่อกับวิญญาณผีได้นะผู้หญิงคนนั้นช่วยเขาท่งให้ฉันรู้นิยายของเขาเมื่อเขาได้ตายไปแล้วในซักว่าแหมจะทายังไงจะได้พบกับผู้หญิงคนนี้วะผมบ่นเสียดายอ๋อแกจะได้พบกับผู้หญิงที่ว่านี้อย่างแน่นอน แกอยู่แถวเขาอิโต้นี่เองเวลานี้ก็มีธุระอยู่อีกสองาวันแกคงจะว่างฉันกะไว้แล้วจะให้เด็กที่ไร่เนี่ยขับรถไปรับแกมาพบอุทิศที่นี่ในสักพูดเฮ้ยขอบคุณนายมากเลยวะสักขอบคุณแกอย่างล้นหัวเลยนะเว้ยที่แกเนี่ยยังอุตส่าห์จะเป็นธุระช่วยฉันเอาเธอะนะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องต้นต้นที่ฉันพบกับคุณข่าวให้ฟังก่อนละกันเอาเลยวะสักฉันกราบตีนกันเลยก็ได้ผมพูดทันควันเมียในสักหัวเราะกาก คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะในสมัยตอนที่ฉันมาซื้อที่ที่นี่ใหม่ๆก็บังเอิญสุดเลยว่าที่ของฉันเนี่ยมันมายันกับบ้านของคุณขาวก็เลยรู้จักกันฉันเห็นคุณขาวทำไร่อยู่เพียงคนเดียวแล้วก็อยู่เอกาเพียงมีสุนัขคู่ยากอีกตัวหนึ่งเท่านั้นฉันก็เลยถามเขาโดยอยากรู้เรื่องว่าทำไมคุณจึงไม่มีคนมาช่วยทาไร่บ้างเลยเขากลับตอบฉันว่าผมมีอยู่เท่านี้แหละครับพูดแล้วเขาก็หันไปดูหมาตัวนั้น แล้วคุณขาวก็ยังพูดต่ออีกนะบอกว่าผมก็มีอีกคนนึงจะมาร่วมงานด้วยและผมก็คอยเขาอยู่แต่เดี๋ยวนี้คนนั้นมาไม่ได้ซะแล้วผมก็เลยไม่ต้องการใครอีกอยู่ในไร่ผมเพียงแค่นี้ก็มีความพอใจของผมแล้วเมื่อตอนนั้นคุณขาวก็มีเรือนเล็กๆหน้าอยู่หลังหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เขาตายไปแล้วเรือนหลังนั้นก็ปล่อยทิ้ง เถาไม้เลื้อยขึ้นเต็มหลังคาและฝาก็เป็นแฝกก็เลยผุไปเหลือเพียงแค่เสาที่ยังคงอยู่ยังมองรู้ว่าที่นั่นเนี่ยเป็นบ้านแล้วฉันก็จะพาแกไปดูบ้านหลังนั้นนะออนี่อุทิตแกจะต้องรู้ให้ละเอียดเลยนะคือคุณขาวเนี่ยเขามีอะไรแปลกๆอีกอย่างหนึง่งเมื่อฉันไปนั่งคุยกับเขาบนเรือนก็มองเห็นว่าเจ้าของบ้านอยู่อย่างง่ายๆไม่ได้จัดตกแต่งอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยคล้ายกับอยู่อย่างไม่ตั้งใจที่จะอยู่จริงๆ ที่นอนของเขาก็ปูไว้อย่างง่ายๆตลบมุ้งขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นแต่ว่าข้างนอกเขามีแผ่นกระดานไม้มะขามเลื่อยบางๆแล้วก็เขียนตัวอักษรไว้หลายคําฉันก็ชักจะลืมข้อความซะแล้วสิอ่านเอาเองดีกว่าว่าแล้วคุณศักก็หยิบกระดานไม้มะขามมาสองแผ่นจากในห้องส่งมาให้ผมแผ่นหนึ่งแต่อีกแผ่นหนึ่งถือไว้ก่อนเอาแกอ่านเอาเองเถอะเขาว่าแล้วก็ส่งกระดานแผ่นนั้นให้กับผมผมรับมาอย่างกระหายใคร่อยากรู้ ตัวอักษรสีดำเขียนด้วยสีน้ำมันว่าฉันคอยรักที่นี่ฉันไม่ต้องการใครต้องการเธอคนเดียวฉันจะคอยวิญญาณเธอเมื่อใดเธอมาเมื่อนั้นฉันจะไปกับเธอเขาเขียนไว้แค่นี้ด้วยตัวอักษรอ่านง่ายและลงชื่อท้ายขาวข้อความนั้นเพียงฟังดูก็รู้ว่าเขามีความลับอยู่เราไม่สามารถจะรู้เรื่อ ง, ของเขาแจมแจ้งได้และคำว่าเธอนั้นก็แปลได้ว่าผู้หญิงที่เป็นคู่รักของเขา แต่ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ได้อีกต่อไปแม่รู้แค่นี้เองผมพูดอย่างน่าเสียดายถึงว่าสิสักว่ากระดานแผ่นนี้เขพิงไว้ข้างที่นอนของเขาเข้าใจว่าพิงไว้ตลอดเวลาเรื่องอะไรอะไรของคุณข่าวเนี่ยฉันก็เคยรู้จากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีวิธีทรงผีได้ฉันเคยขอร้องผู้หญิงคนนั้นให้ช่วยทรงผีให้สักคราวเพื่อที่จะรู้ความหลังของเขาที่ฉันทาไปนะ่ะ คุณข่าวก็ตายไปแล้วล่ะสักพูดให้ฟังนั่นอะไรอีกแผ่นหนึ่งล่ะผมถามเขาเพราะว่ายังเห็นถืออยู่อีกแผ่นหนึ่งอ๋อแผ่นนี้คุณข่าวเขียนถึงฉันสักพูดแล้วก็ส่งกระดานแผ่นนั้นมาให้ผมแล้วในข้อความนี้ก็มีอยู่ว่าคุณสักที่รักคุณพบศพผมแล้วได้ปโปรดกรุณาฝังศพผมไว้ที่ใต้ถุนเรือนผมด้วยต่อเมื่อคุณสบายใจเมื่อใด จะขุดศพผมไปเผาที่สุสานให้เป็นกุศลแก่คุณที่ดินที่เป็นไร่ของผมผมขอยกให้คุณฉนดอยู่ในหีบเสื้อผ้าผมขอมอบให้ด้วยความสัตย์จริงลงชื่อขาวเอี่ยมศิลาประหลาดจริงผมอุทานออกมาอย่างโฉงนใจและเศร้าใจคุณขาวตายได้ยังไงอ่ะผมถามคล้ายกับผู้สอบสวนในสักยาพิษในสักบอกกลางวันแสกนี่แหละอุทิศ ฉันและก็เมียของฉันได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดทางบ้านของนายขาวฉันกับเมียตกใจอย่างพูดไม่ถูกจริงอยู่ฉันก็ทายออกว่าคุณขาวเนี่ยจะไม่มีชีวิตยืนยาวสังเกตดูความเป็นอยู่ของแกแล้วก็ทั้งคําพูดของแกกรคำคําเขียนของแกที่เขียนไว้ในกระดานไม้มะขามแกคงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บในด้านไม่บํารุงตัวไม่คิดเลยว่าแกจะมาตายเพราะว่ายิงตัวตายฉันกับเมียแล้วก็เด็กในไร่เนี่ยก็รีบวิ่งไปที่บ้านของแก พบว่าแกนอนน้ำลายฟูมปากในตาค้างพูดอะไรไม่ได้แล้วปืนพกของแกวางอยู่ข้างๆตัวฉันเพิ่งรู้ว่าแกไม่ได้ยิงตัวแกตายเมื่อตรวจตัวแกแล้วก็ไม่พบบาแดแผลใดๆเลยกลับมีแค่ถ้วยยาพิษวางอยู่ข้างๆนั่นแหละเป็นสิ่งที่แกกินเข้าไปส่วนปืนที่ยิงขึ้น2นัดนั้นเนี่ยแกยิงขึ้นหลังคาเพื่อทําเสียงให้ฉันกับเมียได้ยินเป็นสัญญาณ น, นั่นเองและก็เป็นเช่นนั้นคนยิงตัวตายจะยิงสองนัดได้ยังไงล่ะ อ้าวแล้วแกช่วยแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะแก้อะไรล่ะเมื่อฉันกับเด็กในไร่รวมถึงภรรยาของฉันไปถึงหัวใจแกก็เต้นอ่อนและกันหมดปัญญาไม่เคยรู้เลยว่าการแก้ไขคนกินยาพิษเนี่ยทำยังไงซ้ำเกิดมาในป่าแบบนี้หมอที่ไหนมี แต่ว่าในครู่นั้นเองแกก็ขาดใจตายตาลืมโครงอยู่ฉันกับเมียก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือจัดการฝังแกตามคำขอร้องที่แกเขียนไว้ในกระดานแผ่นนั้นก่อนจะทำลายตัวอันนี้จังทุกขังผมร้องเบาๆแต่ว่ามันมีเรื่องสะเทือนใจอีกอย่างหนึ่งนะสิคุณหวานพูดขึ้นก็หมาคู่ชีวิตของเขานั่นแหละนั่งไม่ห่างศพเจ้านายเลยมันร้องลั่นตะกุยตะกายเราไม่ยอมให้ฝังนายมัน ผมถอนหายใจเฮือกคุณขาวตายไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่สิทาให้คนเศร้าหนักไปอีกแต่เอ๊ผมร้องสักแกฝังศพเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอผมถามติดมัดเพราะสงสัยฮะสักร้องง่ายๆก็ได้เหรอฉันได้กลายเป็นคนร้ายฆ่าคุณขาวนะสิฉันรีบออกรถไปแจ้งตำรวจในเมือง และก็เนี่ยให้ตำรวจเนี่ยมาพิสูจน์หลักฐานทุกอย่างของเราก็ไม่แตะต้องเลยปืนพกก็ยังอยู่ที่เดิมไม่กล้าแตะต้องเมื่อพิสูจน์เรียบร้อยแล้วก็ให้รถเนี่ยไปซื้อลงมาใส่แล้วก็ฝังกันสักรีบอธิบายเพราะว่ามันเป็นไปแบบนั้นคนตายทั้งคนจะเอาไปทำอะไรเองตามสบายใจก็ไม่ได้ต้องแจ้งตำรวจให้มาดูศพแล้วก็สอบสวนจนหมดมณทินไปนี่สักแล้วหมางคุณขาวแกเอามาเลี้ยงไว้หรือเปล่า โอ้ยเจ้าหมานี่สิอุทิตเอ้ยมันทำกันย่ำแย่เลยมันไม่ยอมห่างหลุมศพนายมันมันนอนเฝ้าปากหลุมตลอดเวลากันกับเมียเรียกให้มันตามไปบ้านมันก็ไม่ยอมไปเอาอะไรต่ออะไรมาล่อมันก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นมันร้องหานายมันตลอดเวลากันกับเมียต้องเอามาส่งข้าวส่งน้ำมันทั้งเช้าเย็นแม่รับตรงๆฉันชักกลัวผีคุณขาวจะเอาข้าวมาให้หมาก็ต้องมากันหลายคน ในศสัก ข, ของผมเล่าต่อไปด้วยใบหน้าหมองเศร้าคุณอุทิศคะตอนที่มันหอนน่ะสิคะน่ากลัวมากเมียนศยสักพูดต่อหอนตอน p ผลเ่เพลแล้วก็ตอนค่าพวกเราทุกคนเนี่ยได้ยินถนัดหูเลยละค่ะเราก็แย่ลูกเต้าเกาะกันเป็นพวงเลยกลัวกันทางบ้านเจ้าหมานี่ทำผิดมากตอนเราเอาเข้าวไปให้มันมันจะร้องหงิงและ ว, วิ่งมาหาเราแล้วก็วิ่งไปคุยคยที่ปากหลุม คุณหวานหยุดเล่าคล้ายกับมีอะไรจุกคอเรื่องการตายของคุณขาวนะ่ะนานเข้าก็พอหักใจได้เพราะรู้ว่าแกอยากตายแต่เจ้าหมาผู้ซื่อสัตย์นี่สิคะฉันสะเทือนใจนะักตอนหลังๆนี่สิคะคุณอุทิศดิฉันละสะเทือนใจมากเลยอะ่ะฉันต้องร้องไห้เพราะว่ามองเห็นเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยมันไม่ยอมห่างจากหลุมศพของคุณขาวเลยพอห่างจากคุณขาวตายมาสักเดือนเห็นจะได้ เจ้าหมานั้นก็ไม่ค่อยกินข้าวที่ให้ไว้ก็เหลือทุกวันลงท้ายเจ้าเพื่อนย่ากของคุณขาวแกก็ตายลงไปอยู่ใกล้กันกับปากหลุมนั่นแหละฉันเนี่ยร้องไห้ไม่อยากจะหยุดมันทั้งผอมท้องแห้งตายตามนายมันมันตายตามนายมันหรอผมย้ำคล้ายกับครางในคอถูกแล้วตายตามนายมันฉันก็เลยขุดหลุมฝังมันไว้ใกล้ๆทางด้านปลายเท้าของนายมัน ฉันมองดูหลุมนายมันแล้วก็หลุมมันก็อดร้องไห้ไม่ได้ทุกคราวไปในศักด์หยุดพูดแล้วก็เช็ดน้ําตาเย็นนั้นผมกินข้าวอย่างยากเย็นกินไม่ค่อยลงคอทั้งๆกับข้าวก็อร่อยแบบชาวบ้านป่ามีอาหารแห้งรองรังไว้ตามแบบกันดานห่างเมืองผมทานอิ่มแล้วก็ลงเดินเล่นในไร่ในสมองมันก็เหี่ยวแห้งนึกถึงแต่คุณขาวที่มีอะไรหนอจึงมานอนตายแต่ผู้เดียวในที่นี้มีหมาผู้จงรักพักดีนอนตายอยู่ด้วย ผมค่อยๆเดินห่างตัวบ้านพ้นรั้วไม้ไปสู่ลำธารที่แห้งขอดไม่มีน้ำสักเล่าว่าธาร น, นี้จะมีน้ำเมื่อหน้าฝนน้ำนั้นจะไหลามาจากขุนเขาซับซ้อนทางด้านซ้ายมือเวลานี้หน้าแง้งก้นธารมีแต่ทรายและก้อนกรวดใหญ่ๆเต็มท้องธารส่วนริมธารอีกฝากหนึ่งเป็นป่าทึบแต่ฝากไรเราไปที่ลำธารแห่งนี้ทางด้านขวามือ ไกลออกไปผมก็เห็นมีเฟือกกั้นแล้วก็มีรอบดักปลายังคงทิ้งอยู่คาท้องทานแสดงว่าหน้าฝนที่นี่ก็มีปลากินด้วยผมชอบท้องทานนี้มากก็เลยนั่งลงที่หมู่ก้อนกรวดน้อยใหญ่แล้วก็หยิบขึ้นดูมันมีลักษณะกลมแต่แบนมีขนาดโตเท่าฝ่ามือศัก์เคยบอกว่าหน้าฝนน้าที่นี่ใสจนเห็นก้อนกรวดหินที่นี่สวยมากผมก็นั่งรำพึงรำพันถึงความสวยงามของสถานที่อยู่ผู้เดียว ตรงนั้นคล้ายเป็นช่องลมลมตกพัดเย็นสบายเฉยฉีวปะทะป่าข้างโน้นมาเป็นช่องทางไม่ขาดสายยิ่งอากาศจวนจะข่าเช่นนี้ช่างเย็นสบายใจนักแล้วก็ย้อนคิดไปถึงตัวพระเอกคือคุณขาวเจ้าของนิยายรักหากแต่ยังถาดนางเอกเพราะไม่รู้เรื่องเดิมว่าเป็นใครผมยังต้องรอคอยผู้หญิงที่จะมาเข้าทรงเพื่อที่จะให้เขาเล่าให้ฟังผมจะได้ตั้งเรื่องก่อโครงขึ้น เวลาอากาศจวนจะค่ำเสียงสัตว์ป่าชักจะร้องเรียกกันวังเวงวิเวกในขณะนั้นทางด้านซ้ายมือของผมและห่างออกไปมีคนคนหนึ่งออกจากแนวป่าชายลำธารพวกหนึ่งลงสู่ท้องทานแห้งขอดเขาแต่งกายง่ายๆเหมือนจะนุ่งผ้าผืนเดียวไม่ได้ใส่เสื้อคนคนนั้นเป็นผู้ชายเดินก้มหน้าข้ามท้องทานไปอย่างช้าๆและยังมีสุนัขตัวหนึ่งเดินตามหลังมีลักษณะคอตกหางตก เดินตามชายผู้นั้นไปอย่างช้าๆเช่นเดียวกันทันทีนั้นเมื่อดวงตาของผมเห็นภาพนั้นก็เกิดเตือนประสาทความจําให้เกิดขึ้นจะเป็นภาพของใครกันได้เล่าที่มีสุนัขแสนซื่อติดตามเสมอประสาทความรู้สึกทั่วๆไปของผมก็บอกให้รู้ว่าผมกำลังเห็นใครผมนึกถึงแก่ผงะแทบหงายหลังตัวชาอยู่เป็นนานจึงได้ผุดขึ้นยืนจะอยู่ตรงนั้นอีกไม่ได้ภาพนั้นไม่มีแล้ว ผมออกวิ่งจนมาถึงบ้านของนายสักอย่างอกสั่นขวัญหายสองผัวเมียเห็นกิริยาผมผิดไปก็ถามอะไรออกมาหลายคำแต่ผมพูดอะไรไม่ออกต่อเมื่อขึ้นเรือนแล้วผมจึงค่อยเล่าให้ฟังถึงภาพที่เห็นในท้องทารเมื่อตอนเพลว์เพลคุณหวานตกใจมากกว่านายสักเพราะเธอไม่เคยจะพบอย่างผมเลยนับแต่คุณขาวตายไปอะไรๆมันก็เงียบงอมมีแต่เจ้าหมาผู้ซื่อสัตย์ที่มันหอนตอนคลปคำต่อเจ้าหมาผู้ซื่อสัตย์ตายไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรอีกที่จะทำให้เกิดความกลัวส่วนผมนั้นนอกจากจะได้เรื่องสะเทือนใจแล้วยังได้พบเข้ากับภาพของผู้ตายที่ลงด้วยความทรมานรักมาปรากฏให้เห็นพร้อมกับาธาตผู้ซื่อสัตย์ด้วยเหตุครั้งนี้จะคอ ย, อยังช่วยอยู่ที่ว่าความเศร้าสลดมาควบหัวใจจึงทำให้ความกลัวลดน้อยลงไปหน่อยความสงสารมานำหน้ามากกว่าครั้งอีกสองสาวันต่อมา ในสักของเราคเน ว, ว่าหญิงคนทรงจะว่างทุระแล้วในสักจึงใช้ให้เด็กในไร่นำรถไปรับแกที่ขขาวอิโต้ครันได้ตัวแกมาแล้วก็เห็นว่าแกยังไม่แก่เท่าไหร่นักอายุน่าจะราวราวมารดาผมหรือป้าของผมแกบอกกับผมว่าเรื่องราวของคุณข่าวนั้นแกลืมหมดแล้วเพราะปีหนึ่งๆแกเข้าทรงตั้งหลายต่อหลายเรื่องก็เลยลืมแล้วก็สับสนกันไปหมดแต่แกขอพักสักคืนหนึ่งก่อนต่อรุ่งขึ้นจะทาการเข้าทรงให แกสั่งให้ปลูกเพลิงกลางแจ้งในไร่นั้นส่วนเครื่องประกอบพิธีคุณป้าแกเป็นคนจัดการของแกเองในตอนกลางวันนั้นแกนั่งเข้าพิธีของแกคนเดียวที่เพลิงนั้นห้ามใครๆเข้าไปรบกวนแกรุ่งขึ้นอีกวันหนึง่งคุณป้าพุกได้เล่าเรื่องที่รู้มาให้เราฟังอย่างละเอียดและผมก็ได้เป็นผู้จดบันทึกตามปากคาของแก สำหรับชีวิตของคุณขาวพระเอกของเราและคุณสมพรซึ่งผู้เป็นนางเอกเป็นเรื่องราวที่เรียบเรียงได้ดังนี้ที่บ้านกำนันกล่อมผู้มั่งคัง่งแห่งอรัญยาประเทศกำนันกล่อมเป็นผู้มั่งคัง่งเทียบด้วยเจ้าเมืองมีทั้งเงินทองและที่ดินมากมายมีอำนาจใหญ่โตเท่ากับความมั่งคั่งของเขาทั้งยังเป็นนักเลงใหญ่มีลูกน้องและข้าทาสล้นหลามบัดนั้นกำนันกล่อมนั่งอยู่ในบ้านกำลังสอบสวนหนุ่มซึ่งหมอบอยู่ตรงหน้า หนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มขาวของเรานั่นเองกํานันกล่อมกําลังมีกิริยาและสีหน้าเฮี้ยมเกรียมไอ้เขากํานันกล่อมเรียกอย่างตะคอกหนุ่มขาวยกมือไหว้รับคำเรียกทุกวันนี้มึงรู้หรือเปล่าว่ากูรักมึงแค่ไหนกํานันตั้งคําถามกระผมรู้ขอรับหนุ่มขาวตอบอย่างฉาดฉานท่านรักกระผมเท่าลูกชายคนหนึ่งถูกละกํานันว่ากูรักเพราะมึงเฉลียวฉลาดเลขผานาทีมึงก็เก่ง ทำบัญชีทรัพย์สินไร่นาสาโทของกูได้เรียบร้อยก็เลยยกย่องมึงเหมือนลูกกูแต่ไอ้ขาวมึงกำแหงทนงใจตอบแทนคุณกูด้วยความระยำหนุ่มขาวหมอบนิ่งไม่ตอบอะไรมึงระยำหรือเปล่าวะตะคอกถามกระผมไม่ทราบว่าได้กระทำอะไรลงไปที่ท่านเรียกผมว่าระยำท่านได้โปรดชี้แจงแก่กระผมด้วยครับสมบัดสำนวนนักนมึงเนี่ยกำนันกัดฟัน มึงรีรักลูกสาวกูน่ะยังไม่เรียกว่าระยำอีกหรือกำนันตาถลึงคอยฟังคําตอบเรื่องนั้นสําหรับใจท่านว่าผมระยำหนุ่มขาวตอบแต่ใจกระผมว่ากระผมทําไปด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเคารพกระผมรักคุณสมพรด้วยเหตุสองประการประการหนึ่งเทียบด้วยแม่อันเคารพประการสองสมควรอย่างยิ่งจะเป็นคู่ชีวิตอันยิ่งใหญ่ไอ้ขาวกำนันตาวาดตาถลนและขยับตัวด้วยความโท่สะ มึงไม่ดูกลาหัวมึงสมพรลูกกูเหมาะกับเจ้าเมืองไม่ใช่คนอย่างมึงไอ้ไพร่กำนันตวาดลัน่นแต่มันเป็นความรักนี่ครับถึงจะตัดหัวผมทิ้งแต่ใจมันก็รักนะครับหนุ่มขาวตอบกำนันถึงกับฮึดฮัดไอ้ขาวมึงตอบคำเดียวกูจะถามมึงคำเดียวมึงเลิกรักลูกกูได้ไหมกั m ันถามเลิกไม่ได้ครับหนุ่มขาวตอบไอ้ักำ m ันกระทืบเท้าดังลัน่น เฮ้ยไอ้ว่องเกณฑ์คนคุมไอ้ขาวไปป่าไม้บอกไอ้กลั่นใช้งานป่าไม้บอกกูสั่งให้ใช้งานมันแบบทรมานหมดพยศเมื่อไหร่บอกกูกำนันเรียกขี้ข่าอีกคนมาสั่งตอนนั้นหนุ่มขาวก็ถูกคุมตัวเข้าป่าไม้ซุ่งทํางานหนักตามคําบัญชาของท่านกำนันโดยในกลั่นเป็นผู้ควบคุมการใช้งานที่หนุ่มขาวไม่เคยทําหนุ่มขาวต้องจากรักไปทํางานหนักที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างข้าทาส แต่ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างลูกผู้ชายไม่บิดเบี่ยงหลีกเลี่ยงเลยถือเอาความรักเป็นพลังใจแม้จะตายก็เรียกได้ว่าตายในระหว่างความรักครั้นอยู่นานวันนานเดือนเข้าในกลั่นนายงานคุมป่าไม้ของกำนันกล่อมก็ชักจะเมตตาหนุ่มขาวตามที่โทษของเจ้าหนุ่มมีว่าเป็นสันดานเจ้าชู้รักลูกสาวนายแต่ในกลั่นก็มีลูกสาวอยู่ ในกลั่นจึงแปลกใจที่นายบอกว่าไอ้ขาวเนี่ยเจ้าชู้เหตุใดหนุ่มขาวจึงไม่สาแดงอะไรออกมาตามสันดานที่เคยแต่ไอ้ขาวเคารพต่อลูกสาวของตัวเองเป็นอย่างดีก็เลยเกิดเมตากับหนุ่มขาวมากนักต่อมามีผู้แอบมาส่งข่าวกับหนุ่มขาวว่ากำนันกล่อมส่งสมพรไปฝากไว้ที่กรุงเทพ หนุ่มขาวจึงหลบหนีนายกลั่นไปกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่มาตรวจงานในป่าเข้ากรุงเทพและขออาศัยอยู่กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นั้นจนสืบข่าวที่อยู่ของคุณสมพรและทําการพบตัวกันจนได้คุณสมพรจึงให้เงินแก่นหนุ่มขาวก้อนนึงเพื่อไปหาที่ตั้งตัวและเป็นที่มิตรชิดดีด้วยเมื่อสําเร็จแล้วคุณสมพรจะได้หนีไปครองกันตามประสารักเมื่อหนุ่มข่าวได้เงินมาแล้วจึงได้คิดมาสร้างไร่ขึ้นที่นางรองตามคําแนะนําจากเพื่อน เมื่อเรียบร้อยดีแล้วจึงย้อนไปส่งข่าวกับคุณสมพรพอเหมาะโอกาสดีคุณสมพรกับหนุ่มข่าวก็หนีจากบ้านนั้นมุ่งตรงไปยังไร่นางรองโดยหาเส้นทางเดินให้มิดชิดออกจากกรุงเทพไปอำเภอองคลรักษ์พักอยู่ที่นั่นสองวันจึงเดินทางต่อไปตัดป่าเข้าสู่จังหวัดนครนายกแต่สัญชาติตยานของกำนันกล่อมเสือเก่ามีพวกมาก ในตาจึงมีรอบตัวรู้ทางหนีของลูกสาวและหนุ่มขาวได้ดีจึงมาดักทางเดินได้ถูกต้องซึ่งหนุ่มขาวกับคุณสมพรคิดว่าปลอดภัยดีแล้วไอ้ขาวมึงหยุดเสียงกำนันตาวาดดังลัน่นสมพรมาหาพ่อนี่เสียงนี้เหมือนฟ้าผ่าทั้งหนุ่มขาวและคุณสมพรจำได้ดีต่างก็หยุดและพะวะพะวังไอ้ขาวกูบอกแล้วใช่ไหมถ้าไม่ทิ้งพยศมึงต้องตาย กำนันกล่อมคำรามแล้วเลงปืนพบคุณสมพรเห็นดังนั้นจึงโดดเข้าขวางทางปืนไว้ก็พอดีกำนันลั่นไกปืนลูกปืนจึงถูกคุณสมพรตรงที่สำคัญพอดีกำนันตกใจและเสียใจในความผิดพลาดหนุ่มขาวกอดศพคู่รักร้องไห้และตะโกนให้กำนันสังหารตัวเองซะอีกคนเพื่อจะได้ตายตามกันไปแต่กำนันยังนิ่งเพราะความตกใจ พวกไพร้ที่ตามมาจึงโผเข้าไปดึงตัวหนุ่มขาวให้พ้นจากร่างกายคุณสมพรและทุบตีหนุ่มขาวซึ่งกําลังมีจิตใจเป็นบ้าอยู่แล้วก็เข้าไปต่อสู้ด้วยมือเปล่าสมุนของกํานันเจ็บตัวไปตามๆกันแต่คนเดียวกับมากคนหนุ่มขาวก็ถูกตีสลบไปกํานันยกปืนจะยิงหนุ่มขาวให้ตายเลยแต่กลับหยุดชะงักเก็บปืนโดยเข้าไปอุ้มลูกสาวแล้วร้องไห้ตะโกนบอกพวกให้พากันถอยเข้าไปในป่า ตัวของกำนันอุ้มศพลูกสาวซัดเซไปทิ้งร่างกายของหนุ่มขาวนอนสลบโดยไม่เหลียวหลังดูเลยหนุ่มขาวฟื้นขึ้นไม่เห็นศพคู่ชีวิตที่หายไปก็ร้องไห้เดินกระเซอะกระเซิงไปตามกรรมจนวันหนึ่งก็มาถึงไร่ของตนที่แดนนางรองแล้วเขียนชื่อไร่ว่าไร่คอยรักหนุ่มขาวซุ่มตัวคอยวันตายอยู่แล้วตั้งใจไว้ว่าวันใดวิญญาณของคุณสมพรมาบอกเมื่อใดว่าเธอได้ตายไปแล้วจริง หนุ่มขาวก็จะทำลายตัวเองตามในขณะที่คอยวิญญาณ น, นั้นบังเอิญว่าเขาได้สุนัขไทยตัวหนึ่งไปเป็นคู่ยากด้วยกันเพียงสองจนในที่สุดก็มาตายด้วยกันทั้งคู่นานๆผมจะได้พบเรื่องรักที่ไม่ใช่นิยายขนาดสะเทือนใจอย่างนี้สักทีสมกับที่ด้านด้นค้นหาเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่มีรากฐานแห่งรักแท้แม้จะสะเทือนใจตัวเองแต่ก็เป็นอาหารใจที่อิ่มเอมและมีสุขนิยายรักของคนผ่านไปแล้วแต่ว่านิยายรักของสัตว์ ที่จงรักพักดีต่อเจ้านายของมันยังมีต่อท้ายอีกที่ไร้คอยรักนิยายของมันผู้ที่ซื่อสัตย์ก็ได้จบลงไปโดยการตายตามนายมันและนอนในหลุมใกล้กันกับนายของมันอย่างสมหวังที่ตั้งใจติดตามนายไปทุกหนทุกแห่งผมได้ขอร้องให้ในสักนําผมไปดูสุสาน ร, รักของคุณขาวเมื่อเห็นแล้วผมก็หยุดมองอย่างสลดใจในศักได้ชี้ให้ดูเถาไม้เลื้อยเหล่านั้น ที่เกาะรัดเสาผุผุอยู่บนเนินดินน่าประหลาดนักที่คล้ายคล้ใครจงใจมาปลูกไม้นั้นให้นั่นมันเป็นต้นไม้ที่ชาวกรุงเทพใช้ชื่อว่าช่อม่วงเพราะดอกมีสีม่วงไปทางน้ำเงินแต่ชาวบ้านป่าทั่วไปเรียกต้นไม้ต้นนี้ว่าต้นชูรักเรียกตามลักษณะของดอกไม้ที่เป็นช่อใหญ่และมีดอกเล็กๆมากมายรวมกันเป็นช่อดอกเล็กๆซึ่งดอกนั้นจะมีลักษณะเหมือนดอกพุดเล็กมีสีม่วงอ่อน แต่มันมีไส้ในซึ่งไม่ใช่เกสร อ, อีกมีลักษณะเป็นดอกเล็กลงไปอีกทอดหนึ่งเสียบสอดอยู่กลางดอกใหญ่เจ้าใจกลางดอกนี้มีสีม่วงแก่กว่าดอกใหญ่ที่ยืนพื้นแต่ดอกเล็กสีแก่นี้ไม่มีความทนทานเท่าดอกใหญ่ที่ยืนพื้นดอกเล็กนี้พอหมดอายุก็ถูกลมเข้าก็ร่วงโรยทิ้งดอกใหญ่ให้คงยืนพื้นอยู่ต่อไปชาวบ้านจึงเรียกมันว่าดอกชูรักโดยเอาธรรมชาติของมันเป็นชื่อ ดอกเล็กนั้นก็ร่วงแล้วก็แห้งเหี่ยวไปแต่ว่าดอกใหญ่นั้นไม่แห้งเหี่ยวเช่นเดียวกับดอกบานไม่รู้โรยแม้จะแห้งแล้วก็ไม่ยอมให้ใครรู้มองเมื่อไหร่ก็จะเห็นว่าบานเบ่งอยู่อย่างนั้นสีสันไม่ตกเสีด้วยชาวป่านี่ช่างให้ชื่อสมเหลือเกินจนบัดนี้ซุ้มเถาไม้เลื้อยชูรักที่คลุมเรือนหอรอรักของคุณขาวยังคงติดตาผมนายอุทิศอยู่ตลอดเวลายังไม่มีเวลาลืมเลือน อีกทั้งภาพของคุณขาวเจ้าของนิยายที่เดินอยู่ในลำธาร น, น้ำแห้งขอดพร้อมด้วยสุนัขเพื่อนยากเดินตามหลังด้วยความพักดีเป็นภาพที่สลักใจนักอ น, นิจจาฉันคอยรักที่นี่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทประพันธ์ของครูเหมเวชกรนะคะที่มีชื่อตอนว่าฉันคอยรักที่นี่ค่ะเป็นเรื่องราวของนายอุทิศ ที่บังเอิญว่าไปพบเจอเข้ากับความรักอันยิ่งใหญ่ของนายขาวแล้วก็นางสมพรนะคะที่ไม่ได้ครองรักกันเพราะว่ามีพ่อซึ่งเป็นกำนันเนี่ยนะคะเข้ามาคอยขัดขวางความรักแต่ว่านอกจากความรักที่สามารถตายแทนกันได้แล้วก็ยังมีความรักซ้อนความรักด้วยนั่นก็คือสุนัขผู้ซื่อสัตย์ของคุณขาวหรือว่านายขาวเนี่ยนะคะที่พอรู้ว่าเจ้านายของตัวเองเนี่ยตายแล้ว ก็ยังคงเฝ้านอนอยู่บนหลุมศพโดยส่งเสียงเห่าส่งเสียงหอนตลอดเวลานะคะคิดถึงเจ้านายไม่กินข้าวไม่กินปลาจนกระทั่งผอมแห้งตายตามเจ้านายไปนะคะหมดเวลาของพระเจอผีแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยววันพฤหัสบดีหน้าค่ะมาติดตามเรื่องของครูเหมเวชกรอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องมรดกบังคับในเล่ม ตอนผู้มาจากเมืองมืดนะคะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นนิยายสยองขวัญแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับเปิดกรุผีไทยหรือว่าจะเป็นปีศาจของไทยนะคะซึ่งจะมีให้ฟังในเล่มต่อๆไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ